เอาสติเป็นหลักในการกำหนดพุทโธพุทโธคำว่าสติก็คือความรู้หรือผู้รู้ที่ตื่นโรอยู่เฉพาะ น, านั้นเรียกว่าสติระลึกได้ทุกขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโรหายใจเข้าพุทหายใจออกโรหรือเราจะดูจะลมอย่างเดียวก็ได้ลมเข้า ลมออกลมเ้าลมออกแต่มันสู้เรากำกับด้วยพุโทโธไม่ได้หรือเราว่าถ้ะพุโทโธอย่างเดียวทียิบก็ได้ภูมิจิตกับสติภูสติกับจิบตอารมณ์อารมณ์มเหมือนหลักเหมือนต่อสติเหมือนเชือกเชือกคลายข้างหนึ่งปลูกกับตอ ลายอีกข้างหนึ่งผูกกับจิตมีสติเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวสัมพันธ์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตื่นตัวรูต้ตัวตลอดทุกระยะไม่ให้มันขาดไม่ให้มันขาดความรู้สึกถ้าขาดความรู้สึกเมื่อไร <c oughs> เดี๋ยวปัญหากันหามันสวมรอยปัญหามันสวมรอยแล้วมันความนึกไปเรื่องอื่นไปแล้วลืมพุทโธไปแล้ว เม่เจอเรื่องอะไรแบบปัญหาสรารพัดที่มันจะพาเมฆไปรองเราทําให้ขาดปั๊บมันจะมีอยู่กับที่หรอกสมมติเราขาดสติปั๊บขาดสติจับหยิดหรือขาดหลักขาดตอนปลายปลายเชือกทั้งสองปลายปลายเชือกทั้งสองปลายสมมุตินะที่เราผูกที่เราผูกจิตกับอารมณ์ เมื่อเชือกข้างหนึ่งหลุดออกจากห ล, ลุดออกจากอารมณ์จิตมันก็ไปได้มันไปทั้งเชือกเหมือนเหมือนควายเหมือนอัวที่ที่เชือกอีกข้างหนึ่งมันขาดมันมันก็มีเชือกติดไปด้วยหรือไม่ก็เชือกอีกข้างหนึ่งหนึ่งมันหลุดจากจิตเชือกยังติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธ แต่ว่าจิตมันหลุดออกไปแล้วมันจะลุกข้างไหนมันก็ไปไ ป, ไปทางนั้นมันไปได้ทางนั้นความสำคัญที่สุดคือไม่ให้มันหลุดเอาอะไรประคองเอาสติเอาสัมผัสัญญาเนี่แหละประคองผูกมัดกับหลักกับต่อคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธแบบอย่างอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็มแบบอย่างาที่มัดจิตให้จิตสงบเอาความภาคความเพียร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 ก็มีความเอิบอิ่มบางทีมันเอิบอิ่มจนมันทิ้งคําว่าพุทโธพุทโธจิตก็ไม่ไปไหนทิ้งคําว่าพุทโธพุทโธหมายความว่าถึงไม้ว่าเชือกข้างหนึ่งมันจะหลุดจากหลักที่เรามัดเอาไว้คลายรั้วตัวนั้นมันก็ไม่ไปไหนมันเชื่อมมันชินอยู่แล้วมันก็หากินอยู่ตรงนั้นอยู่แถวนั้นแหละจิตมันไม่ไปไหนก็มันอิ่เราให้มันกินจนอิ่มได้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 พลัอั น, นั้นกรสอันั้นเป็นกระแสของกิเลสที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาพร้อมกับจิตของผู้รู้ของเราเราไม่ทราบมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรตต่อนไหนเมื่อไร่แต่หากสิ่งเหล่านี้มันพัฒนาตัวของมันมาดีเรามาดูอีย่างหนึ่งว่าภพชาติของเรามันก็มีการพัฒนาแต่ภพชาตินั้นมันมีการพัฒนาไปด้วยกรร ม, มยุคใดสมัยใดการใดเวลาใดา พบใดชาติใดที่เราสร้า ง, างขึงนมาความดียิดงพวกเราพัฒนาไปสู่หนทางที่ดีพบใดชาติใดที่เราสร้างความไม่ดีความไม่ดีมันก็กดเราใ ห, ให้ตกให้กลับอันนี้คือการพัฒนาเท่าพัฒนาเพื่อเจริญแล้วก็พัฒนาเพื่อเสือ่อมเพศนาพัฒนาไปตามหน้าของธรรมทาให้จิตเจริญพัฒนาไปตามหน้าของเจเละทําให้จิตเสื่อมเสื่อมจนถึงขั้นว่าไม่มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์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 สับไปสับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ่งที่ทําให้จิตของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสูงสู ง, ส ง, สงต่ำต่นั้นคือพฤติก ร, รรมของเราเองการกระทําของเราเอ ง, องเราทําทดีมากๆจิตของเราก็ละเอียดก็หนีขึ้นภพชาติของเราก็ละเอียดก็หนีขึ้นอัตภาพของเราเราก็เลยอัตภาพที่ละเอียดก็หนีขึ้นบางทีเกินมนุษย์ไปไปเป็นเทวดา เขามีตัวมีจนที่ละเอียดเป็นของชิดไป ห, หมดของอยู่กว่านชิดอะไรกับชิดคำว่าชิดคือมันละเอียดพอแล้วเนยหลายคนนี้ไปขุดขึ้นเลยนะไม่ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปแช่อยู่ในท้องแม่ไม่ต้องไปเกิอดอาศัยจากท่านพ่อท่านแม่ประกอบกันไม่จำเป็นก็ไปเกิดตามอำนาจของกรรมมีกรรมเป็นพ่อมีกรรมเป็นแม่เกิดไปจากเดชาน เกิดเป็นสัตว์เี้ยานนี่ก็ยังมีพ่อมีแม่นะที่อยู่อยู่ร่วมพบภูมิกับเราแต่ถ้าไปเป็นเปรตเป็นอสชุรกายเป็นจักรนรกไปไปฝุดเกิดเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่กรรมเป็นพ่อกรรมเป็นแม่ไปเป็นเทวดาก็ไม่มีไม่มีพ่อไม่มีแม่อัสสัยกรรมเป็นพ่ออาสสัยกรรมเป็นแม่เป็นเทวดาสวรรค์หกชั้นขันจ่ตจงดาวลุงยามาชั้นดุสิบ ฉันมีมาล า, รราดีฉันปริยมิโตสวดีหชั้นทั้ง6ชั้นบริโภคการยินมีเพลินใจกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสสิ่งที่บริโภคใช้สอยก็เป็นของที่ละเอียดกว่าเมืองมนุษย์เราแต่ถ้าละเอียดขึ้นไปมากกว่านั้นอีกเป็นพวกพรมพวกพรลมนี่เขามี เขามีอารมณ์ที่เป็นธรรมเขามีความสุขกับอารมณ์อารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธหรืออารมณ์ยังไงก็ตามแต่ตามที่เขาผภาวนาแล้วจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ได้ฌานแล้วไปเกิดบนบนสมมลมโลกเรียกเรียกว่าสมมลโลกสมมลโลกมีความสุขอยู่วันนั้นอายุยืนกว่าพั้สวรรค์6ชัน้นมีความสุขมากกว่า จิตไม่ต้องไปกระดุกกระดิกคลื้แปรวิ่งไล่ตามจับอารมณ์เป็นรูปเป็นเสีย ง, เ ป, ง เ, ปปเป็นสืน่นเป็นรสเป็นสัมผัสมีความสุขไปตามกันขึ้นชื่อกับขึ้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราทําให้พบชาติของเราสูงสูงต่ำต่ำเราพูดได้ว่าการสูงการต่ําของพบของชาติของเรานี่แหละคือการพัฒนาของจิตพัฒนาเพื่อเสื่อมและพัฒนาเพื่อเจริญ พัฒนาเพื่อทุกแล้วก็พัฒนาเพื่อสุขมันมีการพัฒนาตัวของตัวมันเอทีนี้ผู้รู้ของเรากี่กับกีกันกีภูเรชาติมาแล้วเกิดเป็นอะไรมาบ้างเราก็ไม่รู้มีวิน ญ, ญาณต่อกบางชาติบางชาติาาตก็ไปเผื่อปัน่นจโวการเป็นอย่างมนุษย์นียมี รูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีเยญญาซึ่งจะผ่าการห้าที่ผู้รู้เดวงนี้เข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไ ป, ปเกาะเกี่ยวเมื่ออย่างพวกเราเนี่ยเรามาเกิดในฐานห้ามีฐานห้าเกิดในปันจโอการแวสัตสับางชนพวกก็เกิดเอกโอการมีอาการอันเดียวมีแต่รูปไม่มีนามและสัตว์บางชนพวกก็เกิดใน จตุวการมีอาการสี่เวทนาสัญญาสังขารยินยามีจะนามมาทำไม่มีรูปปธรรมแต่ทั้งสองทั้งเกิดแต่รูปไม่มีนามเกิดจะนามไม่มีรูปพวกนี้เกิดขึ้นจากการทิจรนาในการในองค์ฌานผิดไม่เป็นประจําหลักอันนีจองทุกขัของอนัตตาเกิดความเบือนเบือนหายในรูป ว่าโอ้ทุกหนีเราทุกเราทุกเพราะรูปเองเจริญฌานเมื่อเห็นที่เรามีรูปเองมันเป็นของหยาบไม่ใช่ของละเอียดทําให้เราได้รับความสุขได้รับควาสมสงบยากและเกินเลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเบื่อหนายเห็นว่ารูป ม, มันเป็นของหยาบทําให้เราเข้าถึงความละเอียดไม่ได้เลยไม่มีรูปมีแต่นาม และบางอย่างพวกโอ้ยด้เหตุที่เรามีน้ํานี่แหละจึงเป็นเหตุเราวุ่นวายยุ่งยากและมีแต่รูปไม่มีน้ำเนี่ยวันนี้ภาวนาถึงขั้นว่าจิตเลยว่าความสงบนู่นพวกที่ได้ฌานสี่นั่นน่ะถีงจะเกิดในเนี่ยในเกิดเอกวการจัตุวิการอย่างพวกเราในโลกมนุษย์เราปัญจโบการนี่คือการพัฒนา ภพภูมของเรามันมกำลังพัฒนาไปห อ, อย่างนี้เรื่องเราได้พระพุทเจ้าหลังจากลงได้ทรงตรัสรู้แล้วเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเราและสอนวิธีการดําเนินเพื่อเราออกออกจากชานสมาบัติเหล่านั้นด้วยวิปัสสนา พ, พาุทเจ้าพวกพราหมบรรดาพวกพราหมทั้งหลายเขาเจริญฌานเชิญสมาบัติ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 เพราะกายนี้เป็นกายข้ามข้าช้ำพุชุดโทมมีไวโจริโจรเต็มที่แล้วก็สื่อมมีไวโจรก็คือมีไวเสื่อมแล้วก็หมดอายุไขบางทีไม่หมดอายุไขหรอกถึงข้าเจ็บแค่ได้ป่วยถึงขั้นโุนแดอยู่ไม่ได้เลยตายตกต้นไม้สูงๆลงมาก็ตายของหนักพังลงทับตายเจอยาพิษเนพิษเป็นสงกับอัตราร่างกายก็ตาย โดนยิงโดนฆ่าด้วยอะไรยังไม่หมดอายุไขก็สามารถตายได้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหยุเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้และลักษณะของมันไปเปลี่ยนไปตามใจหวังไปตามชอบใจก็ไม่ได้ย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปแล้วก็ดับไปทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นทุกขันเป็นอนิจจัง ก็เรายึดอะไรไม่ได้เสียแล้วโดยเหตุที่เรายึดไม่ได้นี่เองมันจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาเปรียบตนของเราถ้าเป็นเราเราจะต้องยึดได้แม่แก่ยาแก่นะยาเจ็บนะยาตายนะต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เรายึดไม่ได้นี่เองไม่มีอัตตาเป็นอัคนตาด้วย ผูบายวิธีที่เราทรงที่จะงานอย่างนี้จึงทําให้พระองค์เข้าถึงความละเอียดของทำปลอยอัตตาตัวตนที่ถือตัวเพื่อเสวยความสุขเหล่านั้นปลอยปละละวางเสียได้ทําให้พระองค์ถึงปรมังสุ ข, ขันได้เหลือผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวหมดจากสิ่งเคลือบแสงเพื่อเป็นเหตุใหยึดของเราเกิดคิดฐิมานะยึดว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไม่มีแล้ว ลอยได้หมดละได้หมดวาได้หมดเป็นผู้รู้ดวงเดียวเป็นผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวข้องกับสังขารตายแล้วไม่เกิดอีกอัตภาพร่างกายตายแตย่ตจิตไม่ได้ไปจับจองตามอำนาจของกัญหาไม่มีไม่มียึดไม่มีถือยึดมัน่นถือมั่นด้วยอุ ป, ปาทาน รู้สัญญารู้สัญญาณรู้วิญญาณรู้นามรู้ ร, รูปลอยวางได้หมดวางคำทั้งหน้าวางได้หมดวางความยึดติดของจิตวางได้ทั้งหมดทุกข์ทุกขนโทษเป็นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิต ท, ที่ตื่นเป็นจิตที่รู้เป็นจิตที่พ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงอี่รูบายวิธีที่พุทธเจ้าท่านนแต่การที่เราจะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ เราจะต้องตั้งใจบำเพ็ญเราเรียนรู้เฉยๆเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจลงมือทำเหตุอย่างจริงจังพอเมื่อเราเรียนรู้เราเราก็ตั้งใจตั้งใจบำเพ็ญกริเรินศีลให้ยิ่งเจรินสมาธิให้ยิ่งเจรินปัญญาให้ยิ่งจะกลายเป็นปัญญายาณรู้เห็นอ น, นิจจที่ขังนักตาได้แจ่มแจ้ง ได้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองเกิดการเบื่อหน่ายคลายจางจัดความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงส่วนที่เป็นทูกข์คนตามส่วนที่เป็นานามก็จะปล่อยวางทิ้งหมดจิต ด, ดวงนี้ก็ถอนก็มาถอนก็มาถอนเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวรู้่นั่นไม่เป็นสองกับสี่ใดไม่มีสังขารไม่มีกองสังขารเอโกธรรมโมปัญหาเกิดไม่ได้ เมื่อต้นหาเกิดไม่ได้พบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีนี่หมายความว่าพระอาจารย์ท่านไม่เกิดท่านไม่เกิดด้วยเหตุนี้เมื่อไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บแล้วก็ไม่มีตายไม่มีวิโยกไม่มีท่าทาไม่มีโศกะาติเทวทุกขโทมนัสจะอุปายาความทุกข์ความท่ำควรความําพันร้องให้ท่ำครวญรำพึงําพันอะไรไม่มี ทุกมันจะแก้ยังไทุกเหนียวใจแห้ม ใ, ใจเหนียวใจทุกระทรมกลมกรองใจคําว่าโสกปริเทวะทุกข์โทมนัสสัจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวนี้มันเกิดขึออ้นจากเรามีเราเนและเมื่อเราป่อยเราวางหมดเราไม่มีไม่มีเราเราไม่เป็นไม่เป็นเราทุกอย่างภากไม่อยู่เป็นตามหลักธรรมชาติแล้ว้องจะเกิดขึ้นไหน ดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตาการไม่มีการเวลนเข้าไปจำกัดไม่มีพบมีปุ่มที่จะเข้าไปจำกัดไม่มีอายุไขที่จะเข้าไปจำกัดที่เขาเรียก ว, ว่าอนันตาการอนันตาการมีการเป็นประมาณไม่มีประมาณยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบไม่ใช่อยู่ๆไปแล้วก็สยบอยู่ๆไปแล้วก็พลิกตัวไปอีนเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ชทชิที่พุ่นเจ้าท่านช่ได้ท่านล้างได้ พระสงฆ์สาวกเขาอารยสาวกจะฉะได้ก่นล้างได้ท่านต้องได้เห็นเี่ยมแจ่มด้วยยาในท่านศรนะของท่านเองจึงจะถอนได้ถอนได้ละได้ปล่อยได้วางได้การที่ใครจะเข้ามาบนเพื่อนให้ได้รับความสะดวกสบายท่านจึงออกจากบ้านจากช่องออกจากปุ่นโลละอองออกจากทุบลีละอองเช่นอย่างเราออกมาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่บําเพ็ญในวัดในวาในป่าในเขาในถ้าเงื่อมผา ซึ่งเป็นที่สงบเป็นที่สงัดเราออกมาอย่างนี้ได้เราถือว่าเราออกจากกองฝุ่นทุลีและออกเพราะเราเราอยู่บ้านอ่ะ ม, มันเหมือนกเราอยู่ใกล้ฝุ่นใกล้ทุลีใกล้ละอองคี่ฝุ่นทุลีละอองก็งหมายถึงสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะทําให้เราเกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างบิดฉบ้ยบ้างที่เสียบ้างขยะัน อารมณ์ร้ายการุนแรงบ้างอะไรบ้างจกเพละแล้วแต่มันจะมีเดี๋ยวเพลียคนนั้นเดี๋ยวดีใจกับคนนี้เยอะคือคนนี้เดี๋ยวด่าคนนู้นอะไรสารพัดสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหมือนฝุ่นทุลีละออกเราออกจากบ้านออกจากช่องออกมาบวชออกมาบำเพ็ญบูปายิ่งเผาเหมือนเราออกจากฝุ่นทุลีละออกออกมาแล้วเราก็ไกลจากฝุ่นทุลีละออกแล้วก็พยายามทําจิตของเราให้ปลอดจากฝุ่นทุลีละออก เพราะฉะนั้นความสงบจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะขับต้อนฝุ่นทุลีละอ่อนให้มันมาเกาะหัใจของเราได้ราบได้ที่จิตของเรายัางจิตเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสมันก็วา้าวุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นกลายเป็นสัญญาอารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นฝุ่นเป็นทุลีเป็นละอ่ะอนมาเกาะหัใจของเราเรียก ท, ทาให้จิตยังควากําเริบดีใจบ้างเสียใจบ้างตาคะบ้างโทสะบ้างหยุดชาด้าที่เสียพยาบาท สารพัดแล้วแต่มันจะยุให้เกิดเนื่องจากมันขัดข้องกับฝุ่นทุลียนละออกเรามาอยู่่าอยู่เขาตั้งใจบำเพ็ญเช่นอย่างเรามาเป็นสมณะมาเป็นพระอย่างนี้ทาให้เรามีอาชีพแตกต่างจากชาวบ้านอาหารอุ้มบาปไปบินสบายในบ้านได้ของสำเร็จรูปมาเข้าปากได้เลยฉันเข้าปากได้เลย ที่อยู่อาศัยสมัยดั้งเดิมแท้ๆพระเจ้าท่านชี้ไปที่โขดไม้ตอนหลังมาถ้านให้มีก็ฏิมีวิหารมีที่อยู่มีที่อาศัยหลบแดดหลบฝนได้ยาท่านชี้ไปดี่น้ํำมุดเน่าท่านชี้ไปที่เปลือกสัตว์อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเรงนุ่งหอมท่านชี้ไปที่นุ่นผ้าบางสกุลเมื่มอก่อนนั้นท่านให้รับนั้านจริง ให้อยู่โคนไม้ให้เที่ยวบินธบาให้ฉันน้ำมุดเน่าฉันน้ำมุดเน่าให้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลนั่นดั้งเดชแท้พิธยญาติตรงญาตแต่ตอนหลังมาพระองค์ก็เมตตาลูกศิษย์นะให้มีการรับจากพระหักพือหักบดีได้ ยินบาทจากบ้านของคนมีอาหารมาใส่บาทเอาผ้าจากพระธาบดีจีวรเอายาจากผู้มีศรัทธาถวายหยุดถวายยาเพรก็ยาแก้แค่รอดที่อยู่อาศัยก็อาศัยคนมีศรัทธาไปสร้างที่อยู่ให้หลังเล็กบ้างหลังใหญ่บ้างเพื่อให้เราได้อยู่ได้บำเพ็ญสะดวกสบายเจริญสมณธรรม เพราะฉะการออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้จึงมีความจําเป็ น, ปนพวกเราชาวพุทธเราก็มีความเรื่องใ ส, ส่ศรัทธายึดเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมเนียมมีลูกให้บวชมีหลานให้บวชมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนให้บวชหมดมีลูกชายสองคนสามคนให้บวชหมดบางทีก็ยังฝากไว้กับพระพุทธเจ้าอีกสักองหนึ่งนี่หมายว่าให้อยู่ไปตลอดไปไม่ให้สึก อยู่ไปบปําเพ็ญไปได้ความสงบไปได้สติไปได้ปัญญาไปได้อัตได้ทําได้มรรคได้ผลได้คุณสมบัติทางสมณธรรมมีความจเป็นอยู่นี้ท่านนี้เกิดขึ้นจากการที่เราเข็ดลาในกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพื่อจะมาส่องสวยหาทางค้นทุกข์ใจของเราเริ่มสงบใจของเราเจะเริ่มลนจากทุกข์เริ่มหยุดเริ่มชะลอความทุกข์ได้ ใจของเรารู้สาเหตุเปตุกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาด้วยปัญญาสามารถลบได้ละได้วางได้เป็นเหตุให้เราได้ปัญญาการเรามาการเรามาศึกษาสิ่งเหล่านี้นทําให้เรารู้เท่าทันกลนอุบายมายมายของกิเลสสามารถหยุดชะลอกิเลสได้งดกิเลสได้รั้งครับกิเลสได้กิเลสใหม่ไม่เกิดกิเลสเก่าพยายามขูดขุดออกพยายามดึงออกพยายามถอนออก เหมือนเราอุดรูรั่วไหมน้ําใหม่มันเข้าน้ำเก่าเร า, เ า, เราก็พยายามวิ่ดต่อวิ่ดต่อวิดต่ อ, อใจของเราถ้าเราจะเพียรมันก็ไม่แปลงอะไรกับเรือที่เรานั่งข้ามฟ้ามันมีรูทุนรูฉลุตไปหมดโดยเฉพาะตัวเรารูก็คือรูตาหูจมูกลิมน่ายใจแต่ละรูแต่ละรูแต่ละช่องมันจะทําให้กิดปัญหามทักระเข้ามาตาหูจมูกริมจ่ายใจพลักระเข้ามา เพราะฉะนั้นท่านจิงให้ระวังตาหูจมูกลิ้นกาใจระวังตาที่เอาใจมาระวังระวังหูจมูกลิ้นที่เอาใจมาระวังระวังใจกับใจระวังนะระวังสํารวมระวังไม่ให้กิเลสมันเกิดเมื่อกิเลสมันเกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดความมืดมืดก็ไม่มีความชุกๆุก็ไม่มีความสว่างของจิตก็เริ่มมีความสงบของจิตก็เริ่มมีความสว่างของจิตในที่นี้หมายว่า หยัดเรามีสติดีมีปัญญาดีเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นปัจจัยเป็นเห็นให้เกิดกิเลสเป็นเห็นให้เกิดธรรมมีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถทําให้เรารู้วิธีปลดเครื่องความทุกข์ออกจากใใจใหัวใจของเราได้เพราะฉะนั้นการถือบวชจึงมีความสเค็ญเพราะเราอยู่จําเป็นกับขุนุลีละออกมันไม่ไหวแล้วแม้แต่โบราณอาจารย์ เป็นมห า, ศ า, ศาทศกัณฐ์เนี่ยเห็นว่าผมงอเห็นว่าผมงอเนี่สลาราชจะสมบัติออกไปบปําเพ็ญทศกมิจันในปา่าไปบวช็นถึงสีชีพัยอยู่ในปา่าเพื่ออะไรเพื่อบเาเพ็ญฌานสมาบัติยุคสมัยพุทธเจ้าลูกศิษยของพุทธเจ้าเจริญสมถะเจริญฌานเจริญสมาบัติตแล้วก็ควบไปด้วยวิปัสนาวิปัสนาคือการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผล หาช่องทางเพื่อที่จะออกออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จนสามารถเกิดปัญญาเกิดปัญญายาเกิดวิปัสนาเกิดวิปัสนา ญ, ญามีาความอย่างรู้ว่าเราได้คุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นเจ่มแจ้งเหตุให้เกิดทุกข์เห็นแจยมแจ้งกองทุกข์เห็นแจยมแจ้งเหตุให้เกิดทุกข์พยายามตั้ง อ, อกตั้งใจฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลา มุนอยู่กับองมัดอะไรเกิดอะไรดับอะไรเกิดอะไรดับกิเหลสทั้งหลายเบาไปบางไปดับไปเป็นโรคเข้าในหลักของอริยสัจถิทุกสมัยมีโรคมัดมาพูดถึงความจเ น, ามเนเป็นความจนเป็นมีอยู่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราบวชมาแล้วไม่ได้บวชโบราอาจารย์ท่านถือว่า เหยียบแผ่นดินผิดเอ๊แผ่นดินใหญ่โตนักหนาทําไมเราเหยียบผิดคือเราไม่ได้เข้าสู่หลักคําสอนยังเป็นคนดิบพออย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจมามวชเวลาสิ้ไปเขาเด็กทิศทิศทิศกล้วว่าบัณฑิตคำว่าบัณฑิตหมายถึงหมว่าเป็นผู้รู้สินเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้มีสินเป็นผู้มีธรรมเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเพราะว่ารู้สินรู้ธรรม ไม่ใช่เดินันรลุโดยประกาศนียบัตรเหมือนอย่างที่เราเรามีอันนั้นเป็นพัตตั้งเป็นฉา ย, ยาของผู้รู้เรียนรู้มากเข้าใจมากแต่บางครั้งไม่มีสินไม่มีธรรมยิ่งรู้มากยิ่งทำความเดือดร้อนให้ตัวเองมากยิ่งรู้น้อยถ้าเผื่อไม่ใช้ธรรมก็ยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองมากขึ้นกายของเรา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 ตายและตกอบายภูมิ็นเปรตโดยสารกหาความสุดไม่ได้ถูกจองจําถูกทรมานแค่ที่จิตของคนเราจิตคือผู้รู้ของเรามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราเริ่มต้นไปจากการตั้งใจภาหนาให้ใจได้รับความสงบอันนี้เป็นการมาเริ่มต้นเพื่อทําให้เรารู้รู้ว่ารูปเสียงษษจิตของพระเจ้ธรรมารมีเหล่านั้น เป็นเปรียบเสมือนฝุ่นผู้หลุและออกถ้าจิตของเราไม่มีปรรัญญาสิ่งเหล่านั้นเป็นโทษแต่ถ้าเรามีปรรัญญารับพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิปัสนาเกิดวิปัสนาญาแต่ถ้ายังไม่มีปรรัญญาสิ่งเหล่านั้นแหละมันจะเป็นช่องออกเขาต้องเจริญตั้งหงามันชักจกิตของเราดึงจิตของเราออกออกไปใช้ตามอำนาจวาสนาของมัน ถ้าเรามาเรียนรู้เข้าใจตามนี้อย่างนี้นี่แหละบัณฑิตทุ่มของบัณฑิตรู้สิ่งเหล่านี้รู้ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถ้าผมตั้งใจทำการนี้ประพฤติการนี้ปฏิบัติการนี้เรากลายเป็นคนเยียบแผ่นดินถูกรู้ข้อปฏิบัติรู้ที่หลบรู้ที่หลีกเฮียให้เกิดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสุดลงเเลผู้ที่จะให้ความสําคัญความสุข แต่ความสุขที่พระองค์ทรงสอนเป็นความสุขที่หาได้ได้ง่ายหาได้เร็วไม่เหมือนความสุขที่เราเสาะหาโน้นที่ไม่เท่ทางของพระองค์เราให้เห็นความสุขได้ง่ายเพียงแค่ไปหยุดไม่วิ่งตามรูปตามเสียงตามกลิก่นตามรสตามสัมผัสหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจิตเริ่มสงบมาจิตก็เชื่อรื่ความสุ ข, เ, สขเห็นความสุขได้เร็ว แต่ถ้าเราไปสอดสลายหาทรัพย์สมบัติบางทีทั้งวันทั้งคืนเราไม่ประสบผลสําเร็จความสุขยังไม่เกิดขึ้นเลยบางทีก็ได้บางทีก็เสียบางทีก็มีคนแฉะเสรือนอกหลังเขามีคนมินชาบางทีนาทีนี้มีความสุขโอ้นาทีข้างหน้าแบบทุกมหาศาลมาพัดผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนก็เหตุใจไม่แน่นอนผลที่จะเกิดได้มาไม่แน่นอน ดนความเป็นอยู่ของจิตของเราจึงสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุกบ้างรวงงแล้วคือสุกสุขบิดบงนันเถอะดังนั้นไม่เหมือนวีการที่คุเจาคุสอนคุณาจารยนสอนให้เราวิ่งตามยุดอยู่กับที่ไม่สงบอยู่กับที่ก็สุดความสงบอยู่กับที่มันเป็นพลังสามารถเอาไปิจารณาตปนเหตุเป็นปัใจเป็นพลังสำรองเพื่อจะทำให้เรารู้เห็นปัญญาแจ่มแจ้งชัดเจน เพราะฉะนั้นศีลจึงมีความจําเป็นหนุนสมาธิสมาธิมีความจําเป็นหนุนปัญญาปัญญามีความจําเป็นหนุนให้เราพิจารณาเห็นทุกขหตุโทษและสะกทุกควโทษได้ในที่สุดมีความเป็นไปความเป็นมารวาทราบอย่างนี้แล้วแล้กว่าคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจตึกฝนอบรมตั้งใจบำเพ็ญเพื่อเดี๋ยววความสงบสงัดเพื่อความสุขเพื่อความเจริญ